พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่เจ็ดสิงหาคมสอง6ันห้ายห้าสหมีชื่อเรื่องว่ารักษาใจก็อพอวันนี้เป็นวันที่ สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเมื่อวานเป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนแปดเมื่อวานมีคณะสงฆ์ อ, เอำเภอนาโสมมีท่านเจ้าคณะอำเภอวัดโพนาเหลาหลวงพ่อบุญมี เป็นประธานพระผู้ใหญ่แต่ก่อนก็มีทั้งนายูงทั้งน้ำโสมแต่เมื่อวานมองดูเห็นน้ำโสมมากกว่าพระจําบรรษานเขตอำเภอน้ำโสมดูในบัญชีกลางปีเฮนก็มีบัญชีกลางปีเหมือนกันนะพอเข้าพรรษานะก็จะมีบัญชีกลางปี พระอำเภอนามโสมปีนี้1 5อยห้ารูปพระทั้งหมดทั้งอำเภอนามโสมแล้วก็สัมมาเนนย0สรูปแต่นายุงหลวงพ่อยังไม่ทราบนายุงเนี่ยยังไม่ทราบยอดว่าพระจำพรรษาเขตอำเภอนายุงของเราเนี่ยเท่าไหร่ก็คงจะไม่มากเพราะแต่ละวัดนี่ก็น้อยแล้วก็อำเภอบ้านผือ พระเพิ่มปีนี้พระทั้งหมดสามร้อยกว่ารูปพระจำพรรษาที่เขตอำเภอบ้านผือแต่เมื่อวานเนี่ยก็ ห, หลวงพ่อก็ไดแ้แนวให้พระลูกหลานกณนาศรัทธาญาติโยมแต่หลวงพ่อในช่วงนี้ถ้ามามาทำมาเป็นพระและมาเป็นวัดหลวงพ่อจะแนว เรื่องกิตภาวนาให้กับพระลูกพระหลานเป็นส่วนมากแต่เรื่องกฎระเบียบเรื่องวินัยเอาไว้ก่อนเอาทางด้านจิตใจก่อนถ้าคำว่าจิตใจของเรามีศีลมีธรรมใจของเราคิดไปในทางที่ถูกต้องแล้วทุกอย่างมก็จะถูกต้องถ้าเราจะไปพูดแต่เรื่องหลักธรรมวินัยกฎระเบียบแต่เราไม่ได้พูดถึงด้านจิตใจ ในเมื่อจิตใจของเราปั่นป่วนอยู่จิตและใจของเรายังไม่เชื่อจิตใจของเรายังไม่ปักใจแน่นแต่ถึงจะสอนกฎระเบียบพินัยมันก็สอนได้ในระดับหนึ่งเพราะนั้นเมื่อวานหนรือว่าหลวงพ่อไปนะสถานที่ใดในช่วงนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องจิตภาวนาให้พระเนนทั้งหลายนั่งภาวนาดูใจของตนเอง ยตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านพาปฏิบัติมาอย่างไรแนะนำอย่างไรก็ให้พระลูกพระหลานเดินตามแนวแถวหลวงปู่มั่นให้ภาวนาพุทธโธเป็นหลักถ้าว่าคนพระของเรามีพุทธโธอยู่ในใจมีสติสัมปชัญญะในใจแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนา ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปด้วยแต่ถ้าว่าเราไปพูดแต่เรื่องศีลอย่างเดียวอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้คณะสัตยาติโยมพระเนนได้ฟังพระในครั้งพระพุ ท, ทธาาจ เ, เจ้าสัตยาญาติโยมอยากจะได้บุญพระชีต้นชีต้นก็คือใครก็ว่าเป็นเจ้าอาวาสในถี่นั่นโอ้ยมอยากจะได้บุญ จะทำอย่างไรพระคุณท่านจะจะได้บุญมากเออเฮาตั้ง อ, อกตั้งใจเนะทำทานให้เสียสละเพราะเขาเป็นระดับขั้นเศรษฐีในท้องถิน่นทำบุญทำทานเนอะพอประมาณดูพอเขาทำทานจิตใจเขารู้สึกว่าเออรู้สึกเยือกเย็นเนะพราะเขาทำทาน รู้สึกมีการมองอะไรก็กว้างขวางเฉลื่อเผื่อแพ่คิดว่ามันจะยากจนคิดว่ามันจะร่อยหลอในทรัพย์สมบัติยิ่งทวีคูณขึ้นอีกฮะเขาก็พอใจจากนัานก่อนจะทำยังไงหลงตาครับผมจะได้บุญมากกว่านี้อีกรักษาศีลมีให้มีศีลห้าให้มีกฎระเบียบพระ ก, การอยู่ด้วยกันกับลูกน้องบริวาร เป็นผู้มีสินแล้วให้ใคๆผู้ใครเข้ามาใกล้ก็ไว้เนื้อเชื่อใจจุเย็นเป็นสุขคนมีสินพอรักษาสินห้าแล้วก็จะทำยังไงได้บุญมากขึ้นไปอีกเออรักษาสินอุโบสถเป็นครั้งคราวแปดค่ำสิบ้าค่เพื่อจะได้ชำระใจเป็นส่วนตัวเป็นการมองตนเองรักษาศินอุโบสถ รักษาศีล8ปดคือไม่ทานอาหารไม่ทัดชงดอกไม้ของหอมไม่ฟังร้องราทําเพลงทำเพลงเองหรือว่าไม่ฟังร้องราทําเพลงคนอื่นไม่สนุกสนานปุ่นยังไงให้อยู่ในความสงบแล้วก็นอนที่นอนที่ไม่ยัดนุ่นด้วยและสำลีคือไม่ติดใ น, ในการอยู่การนอน อ น, นี่ก็คือเมื่อปฏิบัติไปแล้วเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสก็มีความสุขในระดับหนึ่งยจะทํำยังไงผมจึงจะได้บุญมากกว่านี้อีกพระก็บอกบวชเพราะมันตัดกิเลสโลภโกรดหลงในใจนั่นแหละถ้าตัดได้เป็นบรมบสุขโยมผู้อยากได้บุญมากก็เลยเอาบวชก็บวชอยากได้บุญมากแค่พอบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านไหน เนีคือก่อนที่จะบวชน่ยพระพุทธเจ้ามีบัญญัติวินัยนะท่านบัญญัติวินัยว่าผู้ใดก็าตามจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาห้ามสอนวินัยก่อนอ่อางนี้ก็คือกฎระเบียบอยู่เหมือนกันนะคล้ายๆไม่ใช่ว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรก็ซื้อบื้อพูดให้ฟังหมดไม่ใช่ได้ฮะพระวินัยห้ามเลยะห้ามสอนวินัยให้กับ ผู้ที่จะบวชข้างผู้ใดก็ดีก็ตามสอนบินัยก่อนบวชปรับเอาบัตรทกกฎ เ, เพราะเหตุไรเพราะว่าพระคนในครั้งพุทธกาลก่อนที่จะเข้ามาบวชผมมีศรัทธาครับผมอยากจะบวชบวชเข้ามาต้องนี่นะพินัยต้องไปอย่างนี้นะาปาลาชิกสีสั้ง้าที่เสด13มาอนยศสอง นิจกิยาปาจิตต3สาิปาจิติ92ปฏิเทจนิยะสี่เสกิยวัตเจดห้าอธิกรณะสมมะ7เจ็รวมเป็น227อันนี้คือสินทักษาเป็นประจำและอภิสมากจารยังมีอีกกว่านี้พอโยมที่จะบวชได้ยินเท่านั้นแหละจะให้ผมรักษาสินขนาดนั้นไม่ไหวหรอกอผมกระดุกกระดิกมาได้ผมไม่บวชครับ แต่ในคนก็ไม่บวชมากเพราสอนวินัยก่อนพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาว่าภิกษุใดก็ตามสอนวินัยก่อนให้กุลบุตรผู้ที่จะมาบวชไม่ได้ปรับอบัตแต่ในพระสงฆ์ท่านก็ไม่สอนวินัยมีแต่แนะนำอ๋อบวชก็ดีได้บุญมากแต่พอบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ในโยมที่มีศรัทธานะเนี่ยบวชเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ก็สอนสอนเรื่องธรรมก่อนอย่างนเกซาโลมานาคาทัานตาตาโจนะให้ค่ายเขาว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องเรียนกรรมาฐานหานะให้เห็นอนจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตาโจหนังเป็นของปฏิโกณเป็นของโสกปลก ถามพิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงนะเออนี่แหละช่วงนี้ช่วงเวลาน้อยเรียนเพียงกรรมฐานห้าสกอนต่อไปยังเรียนอาการ32มสองนักขาเล็บทันตาฟันแต่จูหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเกื่อนในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดใช้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ายังค่อยเรียนทีหลังเรียนกรรมฐานห้าก่อนเพราะมีเวลาน้อย พระอาจารย์พระอุปชาสอนจากนั้นก็เรียนทำเสร็จแล้วพอเข้าใจแล้วไปหาอาจารย์อาจารย์วินัยอนุสาสตร์แปอย่างนิสัยสีอกรณยกิจสี่ปัจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกนิสัยมีสีเที่ยวบินทบาทเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วเจ้าตรงบินทบาทแล้วก็ใช้ผ้าบางสกุลแล้วก็อยู่โครนต้นไม้ แล้วก็ฉันยาดองด้วยน้ำหมเหูเน่าอันนี้กิจที่ควรทําของเจ้าเมื่อเจ้าบวชเข้ามาจากนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องรักษาวินัยโทษประหารมีอยู่สข้อเรียกว่าปาราชิกซีโทษจองจํามีอยู่13บสามข้อแปลว่าโทษจองจําโทษอาญาสิบสข้อของพระจากนั้นก็โทษ ออกจากเป็นที่ตำหนิแสดงอาบัติออกได้แต่ให้สารวมระวังอย่าทำอกีกในการกระทานั้นคือตั้งแต่อนยศนิสกียปาจิตติปาจิตติ92แต่นี้พอพระใหม่ได้ยินออสอนธรรมก็ออพอยังรับยังรับไหวสอนธรรม เกษาผมโลมากุนักคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้พอไหวแต่พอมาพูดเกี่ยวกับวินัยทไนกิจที่ควรทําและกิจที่ไม่ควรทําและวิธีการที่จะต้องอาบัติจะต้องความชั่วและจะจะเป็นอาบัตินั้นมีอาการอยู่หกอย่างคือต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัตหนึ่งต้องด้วยสงสัยแล้วคืนทําลงหนึ่ง ต้องด้วยสําคัญว่าควรในของที่อไม่ควรหนึ่งต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควรหนึ่งต้อง ด, ด้วยลืมสติหนึ่งฮะลืมสติก็ยังเป็นอาบัตอีกโอ้หนักใช่ไหมพระใหม่พอมาคิดจะรู้โอ้โหตาตาตายเราเนี่คิดผิดคิดถูกในว่าาเราอยากจะได้บุญมากทีแรกจะให้ทานรักษาศีลห้าสารักษาศีลแปด อต่อมาเดืมาบวชพอมาบวชเข้ามาแล้วเหมือนกับเข้ากองขังในบาตรนะกระดุกกระดิกไม่ได้เลยเข้ากองขังฮนะอถ้าเราทําผิดมันก็ต้องบาป เ, เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วเนะี่ยสินผิดสินนะ่ยต้องบาปแต่เนตบาปเราก็ทานอาหารคนอื่นเขาอีกต์เลยเราไปบินทัพบาตรกินข้าวคนอื่นเขา แล้วมาทำอาบัตอีกเ่ยมาทำบาปอีกมาผิดวินัยอีกโอ้มันบาปซ้ำสองนไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดได้เกิดละบตัตตายตายตเอาเอาเอาอยัางไงวะถ้าขืนอยู่อย่างนี้นะเท่าเราไปทำผิดวินัยเราก็ฉันข้าวชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาก่อนที่จะตักบาตให้เรายกจบแล้วจบอีกปาถนาสวรรค์นิพพาน แต่พอเรากินแล้วมาทําผิดวินัยอีกไม่ได้ไม่ได้ตายอยู่ไม่ได้แล้วต้องศึกถึงยังไงยังไงก็จะออกไปหาธรรมาหาเลี้ยงชีพกินข้าวตัวเองเ อ, อถึงจะบาปจะบุญยังไงก็กินข้าวตัวเองก็ไม่ได้กินข้าวคนอื่นเขานะมันไม่เป็นบาปไปหาอุปชานะท่านอาจารย์ครับผมคิดว่าผมอยากจะได้บุญมากแต่ผมเข้ามาบวชแล้วผมคงปฏิบัติไม่ได้หรอกครับพระอาจารย์ เพราะว่าพินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นในกระดุกกระดิกไม่ได้เลยดูแล้วพระอาจารย์พินัยสอนให้ฟังแล้วผมปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้ครับท่านอาจารย์ยพวกพระทั้งหลายก็งงแตกเหมือนกันเลยท่นี่เออไม่รู้จะเอาอยัางไงเออกระึกกระสึกซะถ้าองค์อื่นอีกจะบวชเข้ามาอีกเป็นอย่างองค์นี้อีกล่ะท่นนี่เออกระสึกกระสึกซะตายกันไม่มี ก็เลยบวชทําพิธีไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรพระอุปชากับพระอาจารย์ก็เลยหาหรือกันเอ๊ะมันเรื่องนี้ทำวินัยนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของพระพุทธเจ้าบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติทำและวินยัยฮอขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ตรัสว่ารมภิกษุยังมีศีลและวินัยทำและวินยัยศีลและวินัยอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้น แต่น้ถ้าว่าพระไม่มีวินัยไม่มีศีลนะศาสนาของพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้อย่างไรอนี้เราต้องไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้เป็นเหตุขึ้นมาแล้วนะ่ยถ้าว่าจะว่าเราสอนวินัยก่อนก็ไม่ใช่เราบวชเข้ามาแล้วจึงสอนวินัยแบวชเข้ามาเป็นพระแล้วเราจึงสอนวินัยแต่เขาก็อยจะซึกรึเปลเมื่อเขารู้ ว, วินัยเป็นอย่างนี้แล้วเขาอยากจะซึก พระอาจารย์กับพระวินัยอาจารย์วินัยอาจารย์ธรรมสอนธรรมสอนธรรมก็คือเกสาภูมิโลมาคขนอะไรสอนธรรมะเข้าสู่จิตใจฮะสอนวินัยคือกฎระเบียบอนุศาสต์แปอย่างนิสัยสี่กรร็ระเยกิจสี่กิจที่ควรทํากิจที่ไม่ควรทําอันนี้ว่าอาจารย์สอนวินัยก็พาลูกศิษย์ใหม่พระองค์นี้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเท่านั้น ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธ เ, เจ้าข้านะพระบวชใหม่พวกข้าพระองค์ได้บวชให้เขาแล้วข้าพระองค์ก็ได้สอนรำและวินัยให้เขาได้ศึกษาแต่เขาบอกว่าเขาปฏิบัติไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเยอะเหลือเกินศินทั้ง2องยยีแล้วศินอภิสมาจาร์อีกไม่รู้เท่าไหร่นับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้จะทํา ปฏิปตนอย่างไรเขาขอกลับไปเป็นคารวาสบำเพ็ญทานศีลภาวนาเขาจะได้รับความสุขเขาจะได้ไปสู่สวรรค์แต่นี่เขามาอยู่อย่างนี้แล้วเหมือนกับเข้ า, ากงขังแลือเข้าที่คับขัน อ, ออกไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะผิดวินัยทั้งหมดศีลและวินัยเนี่ยเหมือนกับกงขังไม่ให้พระออกนอกลู่นอกทาง เพราะนั้นเขาอยากจะศึกออกไปเป็นคารวาตัตได้ออกเป็นคารวาตัตนั้นเขาทำมาหาเลี้ยงชีพเองเขาก็สบายใจกินข้าวตัวเองแต่อันนี้เราบวชเข้ามาแล้วกินข้าวคนอื่นใช้ของคนอื่นปัจจัยสีทั้งหลายเป็นของคราวัตญาตโ ย, ยมที่เขาถวายทั้งหมดแต่พอตัวเองเข้ามาบวชแล้วทำตนไม่ดีผิดวินัยผิดศีลและวินัยมันเป็นหนทางแห่งนรกชัดๆ เพราะนั้นผมไม่อยู่ผมขอขอกลับไปเป็นฆราวาดดีกว่าเนี่ยพระองค์นี้เขาคิดว่าเขาจะออกไปเป็นฆราวาดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไงถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าบวชเข้ามาแล้วก็มีคนพูดอย่างนี้นะแสดงความจานวงอย่างนีนะ้จะให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรกับคนอย่างพระอย่างที่เป็นตัวอย่างอย่างองค์นี้ พระพุทธเจ้าท่านเป็นต้นศาสดาเป็นต้นศาสนาเป็นต้นความคิดท่านก็มองดูแล้วท่านก็บอกฮะเธอเป็นอย่างที่อาจารย์ทำและอาจารย์พินัยสอนบอกกล่าวมานี้ทั้งหมดใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนพระองค์นั้ น, นรับเลยใช่พระเจ้าค่ะพราะข้าพระองค์อยากจะได้บุญก็ไปหาพระที่เป็น ที่อยู่ใกล้วัดคือเป็นชีต้นใกล้ใกล้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็แนะนาให้รักให้ทานรักษาสินจนถึงได้บวชพอบวชมาแล้วข้าพระ อ, องค์กลัวบาปเพราะว่าสินและวินัยที่พระอาจารย์พินัยสอนให้ฟังน้นรู้สึกว่าทีท่วนมากมองไปที่ไหนแตะที่ไหนก็ไม่ได้จะย่ยยองก้าวเดินไปที่ไหนก็พิพินัยทั้งหมด จะพูดอะไรก็ผิดวินยัยจะทำอะไรลงไปก็ผิดวินยัยข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะรักษาศินและวินัยจุดนี้ได้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าถ้าหากว่าเธอมันมากเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะมันมากมากรักษามากถ้ า, าเธอรักษาอันเดียวนี่สิ่งเดียวรักษาได้ไหมโอ้ท่าหากว่า ให้ข้าพระองค์รักษาอันเดียวถึงจะยากขนาดไหนก็เถอะข้าพระองค์จะรักษาได้ถ้ารักษาอันเดียวถ้ารักษาหลายอย่างเนี่ยข้าพระองค์รักษาไม่ได้พระเจ้าค่ะเออเอาไม่ต้องรักษาหลายอย่างนะให้รักษาอย่างเดียวนะตัณฑบัตินี้ไปไม่ต้องรักษาอย่างอื่นนะให้รักษาอย่างเดียวถ้าจะรักษาได้ครับครับผมพระเจ้าค่ะรักษาได้จะรักษาอันเดียวยากขนาดไหนก็รักษาได้ พระองค์ก็บอกเออเอาให้เธอรักษาใจนะรักษาอันเดียวขนาะไม่ต้องรักษาอย่างอื่นรักษาใจอย่าไปคิดไปในทางที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันดีคิดไปในทางนั้นใ ห, ให้เฝ้าดูใจของตนเองให้ใจของตัวเองเป็นสัมมาทิฏฐิสิ่งไหนที่มันจะไปทางโลภทางโกรธทางหลงลาคะโทสะโมหะให้ห้ามปรามเอาไว้ อย่าให้มันคิดให้มันคิดแต่อยู่ในธรรมคำสอนที่เราตถาคตให้มีสติสัมปชัญญะในตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอย่างนั้นได้ไหมได้พระเจ้าค่ะเนี่จากนั้นก็โหยิ้มแย้มแจ่มใสออกมารักษาอันเดียวฮะจากนั้นก็เขาก็ตั้งอกตั้งใจด้วยศรัทธาของเขารักษาอันเดียวจริงๆเนัน ไม่นานเขาก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์นี่แหละรักษาอันเดียวสรุปแล้วเรามาพิจารณานดูแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดจริงๆสรุปแล้วหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าให้คนตายเนี่ยใจออกจากล่างแล้วมันจะทําอะไรได้ใช่ไหมล่ะ จะทําอะไรไดท้ที่มีใจอยู่นั่นแหะจะด่าให้ใครก็ได้จะโกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ใช้วาจาแล้วก็เห็นมดเห็นมแมลงมาก็บียุงบีบมดฆ่าคู่ฆ่าคนทําอะไรทุกอย่างปานาอธินากาเมมุสาสุรามุสาก็คือใช้วาจาจากนั้นก็มีแต่เรื่องการกระทํากระทาทางกายถ้าห้ามใจสักอย่างเดียว ใจเป็นสินใจเป็นธรรมใจมีสมาธิอยู่ตลอดจะไปทำความชั่วได้อย่างไรพราะพุทธเจ้าสอนสอนใจอย่างเดียวเอาใจเป็นใหญ่เอาใจเป็นหลักเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพิจารณากันกรองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วท่านถือเรื่องใจเป็นใหญ่มากใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า ทกสิ่งทุกอย่างออกออกไปจากใจเพราะฉะนั้นเลยรักษาใจอย่างเดียวนะพระองค์นั้นท่านก็รักษาใจอย่างเดียวไม่ให้ใจคิดปุ่งฟุ้งออกไปทางอากุศลที่สิ่งไีนที่เป็นอกุศลคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดอิจฉาคนอื่นคิดพยาบาทอาฆาตปองไร่คนอื่นเห็นผิดจากทํานองคลองทำทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีท่านจะห้ามใจของท่านอย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่าไปคิดอ่า เวลาเห็นครูบาอาจารย์ท่านผู้อทําหน้าทีา่ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธเจ้าหรือคู่คนผู้มีทําคุณให้กับประเทศตัวเองเอไปกัดเขาแหละยังไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาแหละไปดูถูกเหย็ยดยามปลาหมาดเขาอย่างมากๆในใจอทั้งที่ไม่ออกปากมันอยู่ในใจปลาหมาท่านไหมละ่ะอันนี้แปลว่าจิตประเภทหมาบ้า จิตประเภทเทว่าไม่มองบุญคุณของคนอื่นเปียววันเหนือกว่าเขาทั้งหมดแล้วมองดูสิมองย้อนมาหาตัวเองสิข้าเหนือก ว, กว่าท่านเหล่านั้นเรื่องอะไรเราเหนือจากพระพุทธเจ้าเรื่องอะไรทําไมเราจึงปรามาดพระพุทธเจ้าเราเหนือจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเหนือกว่าท่านเรื่องอะไรทําไมเราจึงปลามาดท่านฮะไม่ใช่ อ, อ ใจหน้าโง่ใจของเราเนี่ใจหน้าโง่โง่จริงจริงไม่ได้มองอะไรเลยคิดว่าตัวเองฉลาดอย่างนั้นใช่ไหมใจใจหมาบ้าใจหน้าโง่ทำไมถึงไม่มองให้หาเหตุหาผลคิดไปแล้วยังไปประมาทท่านได้อย่างไรทำไมคิดได้อย่างไรใจหน้าโ ง, ง่อย่างนี้ถาว่าพวกเราทันใจของตนเอง มันก็โหดเพิ่นกันนะเพราะปัญญาทันมันทําปัญญาไม่ทันมันไอ้ความคิดตามหลังหมาป่าแค่นั้นแหละมันกระยุไปกระกัดดะไปหมดเลยจะไหนมีแต่ใจของเราทุกทุกทําไมใจของเราเนี่ยส่วนเลือกเราเราไม่อยากจะประมาทเลยครูบาอาจารย์กันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ทําไมมันใจของเรามันออกไปก่อนแล้วเนี่ยแหมมันแลบออกไปก่อนล่ะมันลังมาอยู่ดึงหางไว้กับหาง หางมันขาดเพราะไม่ได้ไม่ได้มัดปากมันใช่ไหมมันดึงหางมันมันปากมันยังมีอยู่มันก็งับเอมันก็งับคูบาอจารย์งับท่านผู้มีพระคุณด่าไปหมดเลยเท่นีแต่ในใจที่ทุกในใจอยู่ไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นนี่แหละสิ่งเหล่านี้มีไหมในใจของพวกเราท่านทั้งหลายตรวจตราดูนะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนา